รู้สุขและทุกเรื่อยมาใจตื่นสักทาน้อมรับฟังธรรมเปิดจิตป้ามารู้บัมเพลินทำดังคนประนำจำชีวิตชื่นบานใจปวดขันบําเพลิไม่หวั่นถ้าจัดอารมณ์ขุมยามู้ตนพุทธาลงช่วยรู้จ My heart is now empty. นี้ร่วมสุขในใจรู้บำเพ็ญสตจจะทาป้าเป็นซึ่งเข้มชิดนำอุปสรรคยิ่งมานาพยายามสามโลกบำเพ็ญตามมาสร้างบุญกุศลตื่นรู้พ้ชนะใจต้นคือแดนธรรมรู้พอมีโลกนำสุดใจในชีวีถึงแม้จะดับกายสิง่งที่ ยินยัดตรงตา